ผับบาคาราโอเกะมั่งหรือบางทีเขาไปดับทุกข์ที่วัดก็มีแต่ว่าลืมมองไปว่าสุขหรือทุกข์นี่จริงๆมันอยู่ที่ใจสุขนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ใจแล้วนี่แหละทุกข์ก็ไม่ต้องไปดับที่ไหนดับที่ใจเดียวนี้แหละไม่จําเป็นต้องไปดับทุกข์กันในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่ไปดับทุกข์กันในวัดมันก็อาจจะ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 หาความสุขจากสิ่งอื่นได้คนบางคนอย่าว่าแต่เสียเลยแม้แต่ได้มาเช่นถูกหวยแทงหวยถูกได้มา600นะก็ยังทุกข์ทีแรกก็ดีใจแต่พอรั่วเพื่อนแหงถูกได้2 0 0พไอ้ที่ดีใจาก็กลายเป็นทุกข์ไปไหนจะอิจฉาเขาไหนจะโมโ oh หตัวเองที่น่าจะ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 มีบ้านที่สบายอยู่ฉันก็ยังมีกินได้อย่างาสบายก็เรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นเขาก็เลยปล่อยวางได้มีคนนึ่งโดนขโมยเพชรไปราคาก็คงโข อ, อยู่เสร็จแล้วเขาก็ทําใจได้เพราะก็คิดว่าเพราะเขาตระหนักว่าเขาเคยเสียมากกว่านี้ไปแล้ว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 เขาสามารถที่จะเขียนหนังสือให้กำลังใจแก่คนเป็นล้านล้านคนได้ซึ่งมันตายจากคนที่มีอวัยวะครบทุกอย่างแต่ว่าแค่เป็นสิวหรือว่าผิวแห้งผมแตกปลายหรือว่าน้ำหนั ก, กเกินไปหน่อยเกินมาตรฐานก็กลับทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับตายก็มีฆ่าตัวตายหรือว่าไปกินยาเพื่อที่จะทําให้มันน้าหนักมันได้อย่างที่ต้องการจนกระทั่งคลั่ง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 แต่มันอยู่ที่ใจว่าวางใจอย่างไรผู้เจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรทําร้ายเราได้มากเท่ากับจิตใจที่วางไว้ผิดแม้แต่โจรมาทําร้ายเราหรือโจรทําร้ายกันก็ไม่หนักหนาเท่ากับใจที่วางไว้ผิดแต่ในทางตรงข้ามจิตที่วางไว้ถูกก็สามารถจะมีอ น, นิสงส์สร้างประโยชน์ให้แกเรายิ่งกว่าพ่อกว่าแม่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 แต่มันมันมกจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะใจที่ปรุงแต่งอย่างอาจารย์ประเวทท่านเคยเล่าให้ฟังนะมีคนไข้คนหนึ่งนอนนอนเปลมาเป็นผู้ชายตัวซีดนะไม่มีเรือไม่มีแรงแม้แต่จะเดินมาหาหมอต้องให้คนเข็นเปเมาอาจารย์ประเวทเป็นหมอทางด้านโลหิตนะก็สักถามคนไข้แล้วก็ดูอาการนิดหน่อย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 เขียนเปนไปเลยเรียวแรงกลับมากระทันทันทําไมทีแรกไม่มีแรงนะก็เพราะใจมันปรุงแล้วเพียงแค่ตัวสิทธิ์ก็ปรุงแล้วสงสัยเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นไตาวายหรือเปล่านะคิดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยพอคิดไปอย่างนี้แล้วใจมันเชื่อใจมันเชื่อแล้วก็เลยกังวลกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกังวลว่าจะทําอย่างไร พอใจมันคิดแบบนี้ใจมันก็สุดเลยพอใจสุดกายก็สุดไปด้วยนะเป็นแค่ระยะปากขอนั้นแหละแต่ว่าไม่มีแรงสักแล้วในทางตรงข้ามนะเคยทรงอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยนหนักที่หัดใหญ่อบมรมเผชิญความตายอย่างสงบแล้วก็พาเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยอาสาสมัครก็ไปเจอเด็กคนหนึงอายุสิบสแกเป็นมะเร็งสมองโดนฉายแสง ผมนี่ล่วงหมดเลยแต่แต่ว่าแกสีหน้านี่แจ่มใสสดชื่นอาสาสมัครไปคุยด้วยแกก็พูดคุยดีจนอาสาสมัครแปลกใจว่าเอ้ยทำไมเขาสดชื่นดีกระทั้งที่เป็นมะเร็งสมองคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเขาโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกเหมือนญาติของเขาคนนั้นเป็นแล้วปวดมากเขาโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง2กรณีที่พูดตั้งต้นนี่มันต่างกันเลยนะ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 คนไทยก็ไม่เชื่อว่าอะไรจะปานนั้นนะเป็นมะแลนปีเพียงแค่นี้เหอเรอพอเหตุนี้เท่านี้เหรอแกก็หายไปเลยใต่รับนานเป็นปีมั้งแกก็เขียนจดหมายมาหาหมอคนเดิมบอกว่าตอนนี้เขาหายแล้วเพราะว่าให้อภัยพี่สาวตามที่หมอแนะนำความโกรธนะความโกรธความกังวลเนี่ยมันก็ทำร้ายทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเราได้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 ดอกเพที่ยงไม่ได้จ่ายนี่ที่ยังไม่ได้ผ่อนให้เสร็จพอคิดแบบ น, นี้มันก็ห่อเหี่ยวนี่เพราะมันเผลอไปมันคิดอย่างนี้ได้เพราะมันลืมกายลืมใจลืมปัจจุบันนั่นเองดันั้นถ้าเกิดนี่เรากลับมาอยู่ปัจจุบันบ่อยๆเนี่ยนะมันไม่มีทางที่ให้ความทุกข์ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือความกังวลที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันจะมาเล่นงานเราได้เพราะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามเจริญสติโดยเพราะ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 ให้คิดระลึกทบทวนได้ว่าโอ้เราเคยสูญเสียมากกว่า น, นี้มาแล้วเราก็ผ่านมันแล้วทำไมเราต้องมากังวลเรื่องหนักที่สุดในชีวิตเราเจอมาแล้วไม่มีอะไรที่หนักกว่านี้แล้วถ้าพอคิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เกิดมีกําลังใจขึ้นมาเสียเงินไป60ล้านแต่ว่ามีสติระลึกได้โอ้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยเราก็ยังสุขสบายกว่าคนอื่นเขาก็ยังมีบ้านหลังใหญ่อยู่ยังมีรถอยู่ยังสามารถกินอาหารอร่อยตามใจปากได้ มันก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกข์เงินก็หาใหม่เงินหาใหม่ได้ส่วนใหญ่นี่เรามักจะปล่อยเรียว่าทุกข์ซ้สำสองของหายแล้วก็ยังใจก็ยังหายอีกเสียของแล้วก็ยังเสียใจอีกอันนี้แหละเพราะความเผลอเมื่อเผลอแล้วเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เลยว่าเป็นจิตที่วางไว้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยในการที่เราจะต้องมาให้ความสําคัญกับการมีสติรู้ใจ